เราอยู่กับตัเราเองได้ไหเราอยู่กับตัวเราเองในมุสาวนะลองดูถ้าเราอยู่กับตัวเองได้กนคือเรามีเรียกว่ามีสติมีจตมาจิตเนาะสติมีจิมาจิตสามารถอยู่กับการเดินกับการนั่งนะอยู่กับตัวเราเองได้ เราอยู่กับตัวเองไม่ได้นยแต่ว่าที่ใจมันฟุ้งซ่านมากเนี่ยหรือว่าเราก็ไม่รักตัวเองจริงเนาะเราอกับตัวเองไม่ได้ก็คือเราต้องหาหาที่อื่นมาเป็นเครื่องอยู่เป็นวันหนึ่งถ้าเราเจ็บไข้ที่ป่วยหนักๆเนาะเราต้องนอนเตียงที่โรงพยาบาล หรือว่าถ้าเกิดเราเป็นคนที่คงทิการนะเคลื่อนไหวเนะี่ยทำอะไรไม่ได้อย่างที่เราเคยทำเนี่ยมันก็จะลำบากมากนะถจาใจเราไม่สามารถอยู่กับตัวเราเองได้แต่การที่เราฝึกแบบนี้มันเหมือนเราต้องเผชิญหน้านะกับความทุกขนะ์ที่อาจจะเกิดจากความง่วงบ้างเกิดจความเบื่อยบ้างนะ เกิดจากความขี้เกียจที่ค้านบ้าแต่เราลองเนี่ยเราลองอยู่กับมันนอยู่แบบแบบอะไอยู่แบบเห็นมันน่เห็นเห็นความง่วงเกิดขึ้นเห็นความเบื่อเกิดขึ้นเห็นความขี้เกียจเกิดขึ้นนเห็นความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นแต่เห็นนะเราใช้เห็นนะเป็นไรล่ะเห็น้วเราจะทํำทําต่อเนาะ การกระทเหมือนกับเราทํางานนะบางทีบางครั <t <t <t ้งเราก็รู้เหนื่อยครับรู้สึกเบื่อรู้สึกเออไม่อยากทํำละแต่เราก็จะมีใจใจนึงนะที่เหมือนเออสู้สักหน่อยนะอย่ยอมแท้นะหรือว่าเออไม่เป็นไรหรอกนะก็ทำไปเรื่อยอันนี้ใจอันนี้นะมันมันอยู่ผู่กันะในความง่วงมันต้องมีความนะสู้ ในความเบื่อมันก็ยังมีความขยันนะที่จริงในความฟุ้งร้านนะมันก็มีความสงบถ้าเราดูดีๆนะเราสังเกตดูถ้าเรากลับมาอยู่กับความรู้สึกตัวจริงอ่นะจิตมันจะฟุ้งก็เรื่องของมันนะนะเหมือนกับบางทีเราพอเรามีสติดีๆนะเนาะเบือจะวิ่งจะเตียงสร้างจะอะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่ได้เป็นที่หรอกขาดนะ มันก็จะสักแต่ว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นหรืออารมณ์ความคิดึ้นเกิดขึ้นในจิตในใจทั้งหมดนั้นมันก็มันก็สักแต่วาเอ๊มันเกิดขึ้นมาเนาะอ่ามันจะเกิดขึ้นทีเกิดขึ้นห่างก็เรื่องของมันนะเราก็นลองกลับมาดูตรงนีถ้าเราอยู่กับตัวเองได้นะแรกๆมันอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อรู้สึกว่าอยู่ยากนะแต่ลองต้องทํำเยอะๆนะไอ้ตรงนี้ มันไม่มีทางไม่มีทางอื่นนะไม่มีทางดัดมีแต่ต้องมาใส่ทาไปเรื่อยเดินทางซึ่งมันก็เห็นว่าไอ้สภาวะต่างๆเนาะมันก็มันก็ไม่เทียบอ่าเราทนไปสักหน่อยนะมันก็ อ, อยู่ได้นะนะทนได้น่ะความง่วงก็ดีความเจ็บรบปวดควาเหนื่ยอกยอก็ดีแต่ความเขียวปวดเหนื่อยทางร่าง ก, กายก็ อะศัทนทนสักหน่อยนะแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องนั่งให้มันหายเหน็ดชานั่งให้มันหายปวดขานะต้องเอาชนะทุกเวฒนาทางกายไม่ไม่ต้องขนาดนั้นนะก็ทนสักระยะหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนโดยเฉพาขเขียนกีงท่า น, นอาจจะบอกเป็นเคสง่ายๆเข า, าบอกว่ามานทีให้มันขอเปลี่ยนนะ ถึงรอบที่สามกอดก่อยเปลี่ยนถึงใจมันรู้สึกปวดเมื่อยมากนะรอบแรกอ่ะทนไปก่อนนะทู่ไปสักพักหนึ่งมันรู้สึกเ่มเมื่อยละรอบที่สองอ่ะก็ทนไปก่อนพอรอบที่สามมันกอเกลียนเอิ่มแสดงว่ามันมันปวดเมื่อยจริงค่ะแล้วก็เปลี่ยนเราเดินก็เหมือนกันนะเดินบางทีเดินไปแล้วปวดเมื่อยบ้างลองดูมาสักหน่อยเดินไปก่อนนะ พอปวดเม่อยก็เปลี่ย น, นยอะไรหรอมอันนี้ก็ทนไปทั้งระยะหนึ่งพอเราจับจังหวะตรงนี้ได้ต่อไปต่อไปก็ไม่ต้องนับหนึ่งสอสามก็ได้ไม่เะยรู้มันก็พอสมควรก็เปลี่ยนให้ประมานไปได้อันนี้คือร่างกายเนาะมันทีก็ทนก็มนรู้ว่าบมันก็ฝึกความเข้มแข็งความติใจแต่ ถ้าอารมณ์หรืว่าความคิดมันเกิดขึ้นในจิตในใจเนาะเราก็เราแค่อมาชอบใชว่ามันดูดูเขาเหมือนดูคนอื่นนะเราเห็นคนหื่นเขาโกรธนะเราก็ตลบต้องไม่ได้เห็นคนหนึ่งเขาโกรธเราก็อืมันก็ดูว่าหน้าตาเขาก็ไม่น่าดูนะกิริยาท่าทางแล้วก็ไม่น่าเอาอืคนอื่นเขาโกรธแล้วนะถ้าเราเห็นแล้ เราจมีโกรธตามเขาเนี่ยแสดงว่าเรางโมโหเขาจิตใจข้างในที่มันโกรธก็เหมือนกันนะถ้าเราเห็นนะเราก็จะไม่อเอาหรอกเราก็จะไม่อเอาคล้ายๆเหมือนกับเราดูเด็กเขาเล่นของสกปรกเนาะแบบนี้เราก็ดูเออเด็กนั้นไม่รู้ภาษามันก็เลยเล่นแบบนั้ น, นเราเองพอโตเป็นผู้ใหญ่นะบางทีของสกปรกภายนอกเราอาจจไม่ได้ แต่มางีติดใจนะติดใจเรื่องที่มันคิดต่ทุกขเราจะชอบคิดเรื่องที่คิดแล้วตมวนใจอนะไม่สบายใจเราก็วางไม่ได้นอนไม่หลับใช่ไอันนี้เป็นสีส่สิ่งที่มันเป็นทุนกข์นะแต่เราก็ไม่รู้ตัวว่าเราก็มักเดินไปคิดคิดแล้วก็ทุกขนะ์คิดแลก็วางไม่ได้ อันนี้เวลาเราปฏิบัติทํรบาทีมันจะมีเรื่องราวเข้ามาเยอะนะบางทีเราปฏิบัติในเรื่องเนี้ยสิ่งที่กระทบ ร, บรอบๆเนี่ยอาจจะมีบ้านเนาะเป็นเสียงเสียงรอบๆข้ามบ้านหรือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจแปลกใหม่บ้างเนาะสังเกตให้เวลาเราเดินเดินรอบตอนเชา้าเห็นบ้านนี้เอ่สวยดีเห็นต้นไม้นี้อ งอเนื่อน่ารักอะไรต่ตตางเราก็ดูอันนี้คือสิ่งกระตุ้นนะกระตุ้นให้มันเกิดอารมณ์นะกระตุ้นทั้งทางบวกทั้งทำรบมันก็เกิดอารมณ์ตามตามจิตนิสัยของแต่ละคนนะมันไม่เหมือนกันนะบางคนเห็นสิ่งนี้แล้วเฉยบางคนเห็นสิ่งนี้แล้วชอบบางคนเห็นสิ่งนี้แล้วชั่งมันก็แล้วแต่คนนะแต่ก็คือคนให้มัเป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นอารมณ์ตาม แต่ด้วสภาวะของเราเนาะบางทีไอ้ครั้ ง, งนี้เห็นไม่มีอารมณ์ขรั้งหน้าเห็นอาจจะมีอารมณ์เกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมเหมือนมีคนเช่นมามีคนมาบน่นครั้งแรกไม่เป็นไรครั้งที่สองละเรื่มหมุดเหงิดละครั้งที่สามเรื่องไม่พอใจละนี่มันต้องเป็นอะไรที่มันกระทบบ่อยๆมันก็อาจจะมีความต่างกันนะแต่สิ่งที่เราเห็นก็เห็นว่า ใ, ใจเรา เ, ลล น, เนี่ยนะมําเปลี่ยน คนอื่นเขาก็อาจจะพูดเหมือนเดิมแต่มันจะซ้ําไม่เป็นไรนะแต่ใจเราเนี่ยที่มันเปลี่ยนมันไม่ไม่มันโผล่เองนะเราลองสังเกตดูไอพวกนี้มันเป็นสิ่งที่มันกระทบเนาะแล้วเราก็สังเกตดูเกิดอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาในจิตในใจหรืออย่างหนึ่งบางทีมันไม่ใช่สิ่งที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนะแต่บางทีพอเดิมจงกลมยกมือไปเนี่ยมันไม่มีอะไร มางทีเราก็ดึงตัวไม่รู้ตัวว่ากำลังทําอะไรอยู่มันก็จะหาเรื่องคิดครับเอาเรื่องในอดีตมาคิดหรือว่าเอาเรื่องในอนาคตมาคิดคิดว่าสัปดาห์หน้าจะไปทําอะไรบางทีก็คิดมีสาระบางทีก็คิดไม่มีสาระวางไว้ก่อนเนาะไปคิดตัวเนี้ก็เสียเวลาเยอะเสียเวลา เสียเวลาเลยเสียเวลาเราตอนนี้แหละศึกษามาปฏิบัติธรรมแล้วยังเอาไปเอาเรื่องงานเอาเรื่องนั่นมาคิดเนี่ยเสียเวลานะอืมบางทีพอไปถึงเวลาจริงจริงมันจะได้มันจะคิดมันจะทําวเนี่ยที่เราคิดหรือเปล่ายังไม่รู้นะอืมันเป็นการเสียเวลารุ่งหน้าไปเรื่องเราในะอดีตก็เหมือนกันนะี่เสียเวลาเลยผ่านไปแล้วผ่านไปนะเราไม่สามารถแก้ได้ท่างผ่านไป อันนั้นเวลาคิดเนี่ยเราไม่ห้ามมันแต่เห็นมครับเราไม่ตามมันนะเทคนิคคือเราไม่ห้ามความคิดแต่เราไม่ตามความคิดนะไม่ว่าความคิดนะจะเป็นสะดีหรืออนาคตจะดีหรือไม่ดีนะจะสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผลไม่ต้องเอาสมาธิทั้งนั้นเลยนะวางนะวางแบบเ้าเรียกว่าคล้ายๆไม่ให้ค่าไม่ให้กระดาษ ไม่ให้ความสาคัญไม่ให้ควาสนใจแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาแล้วก็ก็แค่นั้นแหละแล้วเราก็กลับมารู้สึกรู้สึกตัวไปบ่อยพอเรารู้สึกตัวไปบ่อยมันจะเห็นนอเห็นตอนที่จิตมันมันไม่ทันจะคิดเราสักพักมุนมันปุ่งขึ้นไปคิดเนี่ยมันเห็นข้อมันมันเกิดตัวมันเองเนาะถ้าเราเห็นทานนั่นแหละนะเรียกว่าเราได้ ได้ได้หลับในการภาวนาเพราะว่าเราเห็นว่ากระบวนการที่จิตมันปรุงแต่งนี่แหละมันสร้างศนะาสนาพักเรีว่าสร้างภาพนะสร้างภบคือการเกิดขึ้นทรางชาติคือการคือก่อนสร้างพอเกิดภพมนะันก็เลยเกิดชาตินะก็คือเริ่มเกิดขึ้นมาแ ล, แล้วมันก็เลยดำรงอยูนะ่ชาติคือการกํารงอยู่นะ สภาวะภพกชาติชาช า, ราบรณะเขาจำนงอยู่ต่อไปก็แก่แก่แล้วก็ตายอันนี้ไม่ใช่ช่วงปชีวิตเราเท่านั้นนะแต่ถึงสภาวะจิตนะจิตที่มันเกิดอารมณ์เกิดความคิดขึ้นมามันเป็นพกเป็นชาติสังเกตดูจิตนะดูดีๆบางทีก็สุขใจบางทีก็กทุกข์ใจบางทีก็ซึม บางทีก็ตื่นอันนี้คือภพชาติทงนั้นนะอืมบางทีโกโรธนะนะก็เป็นภพนึงนะบางทีรักก็เป็นภพนึงอบางทีเอีเนะสียใจก็เป็นภพนึงดีใจด้วยมาอันนี้คือถ้าเรารู้ท้องทันจิตเนะี่ยอันนี้แหละมันจะได้หลักในการภานนะแต่แต่เราก็ทําจากนะี่การที่เรารู้เท้อทันกายมกหมายถึงารที่เรา หรือเข้าใจได้แต่ต้องต้องขยันทํายายามทำเพราะว่าบางทีถ้าเราจะไปดูจิตโดยตรงเนี่ยบางทีมันจะคล้ายมันไม่ได้เป็นการดูแต่เป็นการเข้าไปอยู่กับอารมณ์นเราไปอยู่กับอารมณ์เนี่ยมันจะดูยากเพราะว่ามันไม่ใช่ดูมันเหมือนคล้ายเราดำน้ําลงไปดูสิ่งที่อยู่ใต้น้ําเนาะดูที่ไงมันก็ไม่รู้แล้วก็เหนื่อยด้ย เราจะดำน้ำนำําดำนานเท่าก็หลายนาทีหนึ่งนี่ก็ต้องโผล่ขึ้นมาแล้วใช่ไหมเป็นเหนื่อการที่เราไปอยู่กับกระโดสักพักหนึ่งเนี่ยมันเป็นนื่ไยแต่ถ้าเราดูอยู่ต้างบนเนะี่ยอะไรเกิดขึ้นในน้ําเราก็เห็นแต่ไม่เข้าไปเอารายละเอียดมากลึกๆลงไปอาจจะไม่เห็นก็ไม่เป็นไรแต่ให้เรารู้แบบตัวตัวรู้แบบตัวตัวถ้าเรารู้แบ บ, แ บ, บ, แ บ, บมีที่อยู่เนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยเรียว่ามันจะมีทุก แต่บางทีมันสภาวะพวกเราส่วนใหญ่มันจะคล้ายๆหลงเข้าไปเป็นก่อนพอรู้ตัวมันถอยออกมานะมันอาจจะไม่ใช่ว่าดูแบบดูแบบแล้วตัดไปเลยคนมาคนมาสวดไปเลยอาจจะไม่ใช่ขนาดนั้นแต่พอเราคิดพอเรารู้มันคิดมันจะมันจะดีดตัวออกมาพอคิดเข้าใหม่หรือมีหลงเข้าใหม่แล้วก็เข้าไปเป็นนแล้วก็มันก็จะออกมาได้อืม แต่พอเราออกไปบ่อยต่อไปมันแค่แตกนิดนึงเนี่ยมันออกแตกนิด น, นึงออกแต่พอต่อไปจิตมันตั้งมันน่นจิตมันตั้งมั่นมากขึ้ น, นมันก็จะเห็นนะไม่เข้าไปเป็นเลยนะมันก็จะเป็นพัฒนาการที่ที่เราสามารถทำได้นะทุกค น, นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความเรียกว่ากำลังสติกาลังสมาธิแต่ละขนะดด้วยนะนะ บางวันดีวันพรุ่งนี้ไม่ดีก็ อ, อย่าไปอย่าไปเสียใจนะมันก็เป็นช่วงมันก็เป็นช่วงเรื่องมันมันก็แสดงเยะยรแสดงความไม่ไม่แน่นอนให้เราเห็นนะบางทีเราก็คาดหวังว่าวันนี้ดีแล้วพรุ่งนี้ต้องดีขึ้นวันต่อไปก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆนะที่จริงมันไม่แน่นอนนะแต่ต่อเมื่อถ้าเรามีสติมีปัญญาด้วยใจเป็นการจริงๆเนะี่ยไอ้ที่มันดีจริงๆนะคือว่า อารมณ์มันจะดีหรือไม่ดีน่ะใจเราไม่เป็นประมาณเนี่ยอันนี้ดีที่สุดหนะคืออะไรจะเกิดขึ้นมาเแต่ล่อให้เราสุกมันก็ไม่สุกมากนะแต่ล่อให้เราทุกข์เราก็ไม่ทุกข์มากก็ก็แค่นั้นแหละนะก็แค่นั้นแหละมันจะเป็นความสงบเข้ามาแทนที่นะมันจะมีความสงบในการเห็นอารมณ์ะสงบก็มันก็ตั้งมั่นนะสงบตั้งมั่นนั่นแหละ เพราะว่าอะไรมันรู้ว่าอะไรก็ยึดไม่ได้ <c oughs> ไม่ไนะมย <c oughs> ึดเดมื่อไหร่นะเมื่อมันหายไปมก็ทุกเช่นปฏิบัติแล้วดีดีสบายดูตัวดีบางทีเราก็ดื่มตัวฝึกยดึดมันอ้อยากจะต่อพอมไวอยากจะรักตาไว้พอมันหายไปเราก็ดื่มตัวเสียใจหรือบางทีเราก็พยายามไปคว้านหาพยายามที่จะเอาอยากให้ได้เลยลนะ่ะอยากให้มัน เกิดกั่นั้นอีกแต่จริงมันหายไปแล้วเราก็หายไปเนาะล้วก็กํับารู้ตัวใหม่กลับํารู้ตัวใหม่มันยังไม่สงบยังไม่สุดท่าเดิมก็ช่างมันเราก็พอใจพอใจในการรู้ตัวที่ลักษณะเนาะเนี่ยท่านใจเราตั้งมั่นมากขึ้นเนี่ยคือมันมีความมั่นคงมั่นคงก็คือไม่ไม่หวั่นไหวที่จริงมันก็ถือว่า การดื้อที่ึงนมันี้ไม่ได้มีความอยากอะไรไม่ได้อยากจะสงบไม่ได้อยากจะนะไม่ทุกข์ไม่ได้อยากนะพอมันไม่อยากอะไรจะเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรนะแต่บางทีเราไม่รู้ทันนะเราอยากจะสงบเราอยากจะมีความสุขเราอยากจะไม่ทุกข์ันเนี้ยพอมันทุกข์ขึ้นมาเราเลยไม่ชอบนะพอมันไม่สงบขึ้นมาเราก็เลยไม่ชอบเพราะใจลึกๆมันมีความอยาก มันมีความอยากก็เลยเกิดความชอบหรือความไม่ชอบแต่ปอยใจมันตั้งมั่นขึ้นมันก็ไม่ได้อยากไม่ได้ไม่อยากอะไรมันก็เฉยเฉยอะไรเกิดขึ้นมาก็แค่รู้เฉยเฉยเนะี่ยมันก็มัเป็นความสุขจากความสงบนะจากความตั้งมั่นอันนี้คือเราก็ทำเนาะสำหรับนะคนใหมนะ่หลายคนจะทำไมทําแบบนี้สงสัย ก็ต้องลองทำโยมมันไม่หายสงสัยได้แต่การคิดนะลองทําดูว่ามันจะเกิดผลอย่างไรเนี่ยกับตัวเรานะลองดูถ้าทําจริงๆริงวันหนึ่งนี่ก็มาคิดว่าได้เยอะอยู่นะเราตั้งใจทําจริงๆริวางความสงสัยบางทีต้องวางทฤษฎีเก่าที่เราเคยเรียนนะบางทีเราเคยทําแบบสมาธินั่งหลับตาอทําความสงบ ถ้าเรายังผวนไปทําแบบนั้นอยู่มันก็จะไม่เข้าใจตรงนี้หรอกอเหมือนเราแบบไม่เคยเรียนวิชาอะไรสักอย่างเนี่ยแต่เราก็จะใช้แต่วิธีคิดของวิชาเดิมมามาเรียนรู้นในที่ใหม่ในตวิชาใหม่บางทีมันก็จะไม่เข้าใจต้องทิ้งทิ้งของเก่ามาเรียนของใหม่ไปแล้วลองค่อดูเอาว่ามันเป็นแบบไหน เพราะว่าของใหม่เนเะนี่ยมันอจะฝืนนะฝืนความเคยชีนนกบางทีเราก็อยากจะสงบอยากจะสบายแต่สังเกตไหมบางทีพอไปทำแบบนั่งดับตาส่วใหญ่ก็สบายแบบนี้แบบดับโอเคดับนะดับง่ายแต่คนไม่ดับก็ดีนะแต่บางทีก็มันดับมันก็ไม่ได้ฝืนเป็นยาอะไรนะเหมือน <c oughs> <c oughs> มันนนอนหลับตื่นขึ้นมาก็เหมือนเดิมนะบางทีขนาดดับก็ปั่นไปด้วยเนี่ยมันก็เรียกว่าปุงแต่งไปด้วยนะเนี่ยหลายคนไปทําก็ไปปฏิบัติธรรมที่จริงไปนั่งหลับไปเดินหลับไปเดินคิดเนี่ยไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะแต่อันนี้มันเป็นการคล้ายๆถูดหรือว่ายกจิตให้มันอยู่เหนืออารงณ์นะ การมีสติมันเหมือนคล้ายๆทวนทวนความขี้เกียจให้เกิดความพยายามทวนความง่วงให้เกิดความตื่นรู้ทวนอความสงบแบบสงบชวนติดใจนะสงบมันจะมีความแบบสงบแบบทวนแบบให้เราที่เกียจไม่อยากทําอะไรให้ติดให้แช่ไว้เราควนให้มัน เ, เรียกว่าให้เกิด ความตื่นรู้รู้หรือเบิดบานขึ้นเนี่ยมันควรขึ้นนะอ่ามันควนมันควรกิเลสที่มันอยากจะคิดอ่เราก็ควรในการไม่ตามความคิดเนี่ยมันควรขึ้นมามันถึงเหตุผลอนาดงนั้นกิเลสมันต้องควนควรในท้ามันถึงถึงฝั่งได้นั่นแหละเหมือนเราอยู่ในมหาสมกันเนี่ยอ่เราต้องไหว้กลับมาถูกฝั่งบางทีก็ต้องควน ตัวกระแสขึ้นตัวกระแสลมตัว <Mor> ในต่างถึงจะกลับมาได้นะการเดินทางทางจิตวิญญาณของเราเป็นเหมือนก็ต้องค่อยๆตรวจไปค่อยๆตรวจไปทีละขนาดแต่ก็ให้แบบทํำแบบสบายๆอย่าไปออย่าไปเคร่งเรียดอย่าไปอยากมากเกินไปนะอย่าไปเอาคิดไปจะต้องเอาให้ได้จะต้องรู้ให้ได้นะ จริงๆแล้วแค่รู้ตัวที่ลพันธ์เนี่ยพอละศีลพันธ์พอทําไปเรื่อยนะมันจะดืมลืงว่าเราอยากจะเป็นนั่นเป็นนี่ น, นะเพราะอะไรจิต ม, มปปันสงบอยู่กับปัจจุบันมันรู้ตัวแค่นี้ก็พอละมันจะวางได้วางความคิดวางความอยากวางความสงสัยในะวิธีการภาวนานแบบแนวเดินสตินะ้นจะเน้นเป็นการตื่นตัวนะ ตื่ตัวรู้ตัวนะเห็นนะเห็นกิเลสเห็นความคิดนะแต่ไม่ตามกิเลสไม่ตามความคิดทัวนะเห็นความสงบก็ไม่เข้าไปอยู่ในความสงบนะ น, นี่คือมันเก็งเลยนะแล้วก็ขยันเนะขยันขยันทำขยันรู้นะบางทีบางคนขยันแต่ข้างนอกข้างในไม่ขยันก็มีนะอืขยันยกมือขยันเตือนแต่ใจจะคิดเนี่ย มันก็ได้แต่ออกากาลังกายนะแต่แใจก็อาจจะไม่ค่อยได้ไประโยชน์นะนะเราก็ต้องทบทวนตัวเองเนาะนก็ไม่ได้ทำให้ติดเยมใครแต่ให้เราดูตัวเราเองนะเวลาเราภ า, านะนะวนาคนที่คนอื่นก็มองเราก็อาจจะไมไ่รู้จริงเข้ากับตัวเราแต่ให้เราดูตัวเองนะเราจะเห็นแล้วก็เกี่ยนตัวเราเองะขณะที่ภาวนาเนาะ แถวแถวหลังเรีนนันเนะแถวก้นขีดแล้วก็แถวหลังฝึกนะครับถเราติดตามทางายกันที่เหนือก็นั่นเฉยเฉยติรอเรื่องต่อไป